วันนี้เช้าก็เต็มห้องละเรียนธรรมะไปนะเรียนไปเรียนแล้วมีความสุขไม่เรียนก็โง่เท่านั้นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นชาวบ้านชาวโลกเหมือนพวกเรานี่แหละอยู่กับโลกเรียนหนังสือเรียนก็เรียนดีนะเรียนก็เรียนเยอะทํางานก็งานก็ดีโตก็เร็วเงินเดือนก็เยอะตอนหลัง แต่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามีอยู่แล้วเราต้องการความพ้นทุกข์จริงๆหัดภาวนามาตั้งแต่เด็กเด็กก็ังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะพ้นเมื่อไหร่ได้บวชได้ภาวนามีความสุขเห็นพวกเราก็ยังสงสารนะยังหน้ามืดตา ม, มัวแต่ก็ดีกว่าคนที่ขึ้นเข้าไม่ภาวนาคนที่ไม่ภาวนานะ จมความทุกข์เลยไม่มีทางที่จะช่วยตัวเองให้รอดเลยของพวกเราอยังทุกข์อยู่นะั้นแต่เรามีทางรอดมีโอกาสรอดอย่างน้อยพอมีสติขึ้นมาความทุกข์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่มันลดลงชั่วครั้งชั่วคราวประมาทไม่ได้มันลดลงด้วยสมาธิบ้างด้วยปัญญาบ้างด้วยสมถะหรือวิปัสสนานยไม่ได้ลดลงด้วยมร ถ้าลดด้วยมักนะมันก็ลดแล้วลดเลยไม่เกิดขึ้นมาอีกนกว่าตัดแล้วตัดเลยก็ต้องค่อยเรียนเอาค่อยรู้กายค่อยรู้ใจเอาไม่ได้ยากอะไรทุกวันอยู่กับโลกก็หลงกับโลกหลงไปเรื่อยๆก็เห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเวลาจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำไปเพื่อสนองความมีตัวเรา เพื่อประกาศความมีตัวเราแต่เราควรต้องประกาศความมีตัวเราอยู่ตลอดนะหมาก็เป็นอย่างไอ้เหลืองนะเวลามันเดินมาแนละ้วถ้าคนเรียกเหลืองเหลืองนะ่าใจมันจะพองมันรู้สึกมีตัวตนอยู่ในโลกสังคมยังยอมรับนะหรือพวกเราเหมือนกันนะถ้าเราไปที่ไหนแล้วก็มีคนรู้จักนะเราจะค่อยๆพองๆขึ้นเรายังอยู่ในโลกยังมีคนมองเห็นมีคนยอมรับ ถ้าไปแล้วคนเขาหลบไปหลบมานะโดยเฉพาะคนมีอำนาจพอเกษียนไปแต่ไม่มีคุณความดีอะไรให้คนเขานึกถึงพอเขาเจอนะเขาเคยไหว้เขาก็หลบนเขาไม่อยากไหว้เสียมือเขาฝืนใจไหว้มานาน<笑><笑>พวกเนี้อยู่ไม่นานก็ตายเฉาตายเพราะอะไรเพราะไม่มีใครยืนยันอัตตาให้ หลวงพ่ออำนาจเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังผ่าซอนแก้วมาเรื่อยๆบอกพวกคนร่ำรวยบางคนนะต้องการชื่อเสียงต้องการให้คนยอมรับอะไรเงี้ยสร้างภาพเป็นคนดีท่านบอกว่าถ้าคนเขาไม่เชื่อว่าเป็นคนดีวันไหนต้องเป็นบ้าเพราะว่าอัตตาไม่ได้รับการตอบสนองอย่างรุนแรง ่แต่ละคนนะเราทำอะไรเบื้องหลังมันก็คือเพื่อประกาศความมีอยู่ของตัวเราแค่จะกินข้าวนะก็ประกาศนะเดี๋ยวไปลองกินข้าวแล้วลองไปดูกินข้าวมันก็มีกูกินอีกแลยจะทำอะไรมันก็มีนะอย่างครูบาาเนี่ยทิ้งขยะ<ม>นี่กูกูผู้ทิ้งขยะเคยมีงั้นคนเรานะมันรักตัวเองที่สุดเลยพยายามยืนยันว่าตัวเรามีอยู่ การปฏิบัติธรรมนี่มันถึงกลายเป็นเรื่องสวนกระแสทวนกระแสอย่างรุนแรงเราจะมาเรียนจนเราเห็นว่าตัวเราไม่มีมันเหลือฝืนชะละนะถ้าตัวเรามีอยู่เราก็ยังทุกอยู่ถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครทุกเละใครทุ ก, ก็เรื่องของคนนั้นใช่ไได้แต่มองแล้วก็ด้วยความสงสารโอ้ยังทุกอยู่ก็ได้แต่ชวนนะชวน ให้หัดศึกษาปฏิบัติธรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมมีหลายแบบแบบหนึ่งเรียนตำราเรียกเรียนปริยัตเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปนะปริยัตจะมาเป็นเครื่องตรวจสอบจอริงๆว่าที่ปฏิบัตินั้นมันถูกไม่ถูกส่วนการเรียนปฏิบัตินั้นไม่ได้เรียนตำราไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์ แต่เรามาคอยรู้กายรู้ใจตัวเองให้กายกับใจเป็นครูกายกับใจมันจะประกาศความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ความคิดของเรากิเลสของเราที่มันสะสมมามจะประกาศความเป็นอัตตาอยู่ตลอดเวลามันสวนกันงั้นน้อยคนนะที่จะกล้าหานพอที่จะมารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเรา มาดูย่ยอๆแย่ๆดูได้นิดๆหน่อยๆเริ่มเห็นว่าตัวเราไม่มีใจหายเลยกลัวบางคนกลัวมากๆเลยตัวเราหายไปก็เลิกปฏิบัติน่าสงสารน่าเสียดายแทนอย่าเลิกนะต้องอดทนรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปวันใดจิตมันยอมรับความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรามันวางวางความเห็นผิดลงไป ความทุกข์หายไปเยอะเลยหายไปสักเกินครึ่งเลยชีวิตจะเริ่มมีความอบอุ่นขึ้นมานะเรารู้ว่าชีวิตเรามีเส้นทางเดินที่ชัดเจนไม่ใช่เส้นทางที่รู ป, ร ป, รปครๆคลำๆเดาๆเอาอย่างพวกเราตอนนี้เรายังไม่เห็นทางที่แท้จริงทางคือมรรคอริยมรรคยังไม่เกิดเรายังไม่เห็นทางที่แท้จริงเราอาศัยความเชื่อ เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อหลวงพ่อเชื่ออะไรงนี้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพเจ้าไม่ได้เทศให้ฟังก็เชื่อตำลาสอนไหมความเชื่ออย่างนี้โลเลเรียกศรัทธาที่กลับกรอกเรียกจลสศรัทธากลับกรอกได้วันนี้เชื่อวันนี้ลังเลภาวนาโอ้ยรักพระพุทธเจ้าะบอกขอมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าบอกงี้นะ อีกสอสาวันเอ๊ะพระพุทธเจ้านะ่มีจริงหรือเปล่าถ้าใจเรายัางภาวนายังไม่ได้ธรรมะจริงๆยังโลเลอยู่ตรงนีตองอนนะ้ต้องอดทนนะอดทนค่อยๆสังเกตไปพอเรารู้กายรู้ใจเรามีสติรู้ไปด้วยเราเห็นเลยความทุกข์มันตกหายไปได้ใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นขึ้นมาขึ้นมาความทุกข์ก็ลดลงลดลงนะ พอความทุกข์ลดลงไปเราก็เริ่มมีกําลังใจแล้วเทางนี้ถ้าจะดีนะมาตามดูอีกดูไปเรืเร่อยๆดูไปดูมามันวันเร็วคืนเร็วลังเลขึ้นมาอีกละทํามาตั้งนานทาไมยังไม่บรรลุสักทนะีที่ทํากิเลนมาตั้งนานไม่บน่นเจริญสตินิดๆหน่อยๆ ย, ยังไม่ได้ผลก็บ่นละลองเทียบเปอร์เซ็นต์ดูสิเปอร์เซ็นต์หลงกับเปอร์เซ็นต์รู้มันเทียบกันได้ที่ไหน่ วันวนหนึ่รู้กี่ชั่วโมงเนีหลงกี่ชั่วโมงรู้ไม่เป็นชั่วโมงหรอกรู้ได้ไม่กี่นาทีหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาส่วนใหญ่ไว้หลงแทบทั้งนั้นะรู้ได้ทีละแว็บทีละแว็บใช่ไหมหลงทีหนึ่งหลายวาเลยวันไอ้แว็บเดียวแว็บเดียว <c oughs> แล้วก็จะบ่นว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้จ <c> ะ <oughs> ต้องอดทนเอานะคอยรู้สึกไปรู้สึกไป <c oughs> ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่า ต้องรู้หนึ่งชั่วโมงเพื่อไปแก้หลงหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นเรารู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจวันใดเห็นความจริงของกายของใจนะมันก็พ้นเมื่อนั้นแหละไม่ใช่ว่าต้องรู้เท่าเท่ากับหลงหรือรู้มากกว่าหลงคนที่รู้มากกว่าหลงนะก็ไม่มีหรอกมีแต่หลงมากกว่ารู้คอยรู้สึกเอา บางคนหลวงพ่อก็เสียดายนะภาวนาฟังธรรมะไปใจรู้ตื่นเบิกบานภาวนาได้ดีๆมาแลวิ่งไปวัดโน้นวัดนี้อะไรเงี้ยฟังครูบาอาจารย์องค์โน้นว่าอย่างนี้องค์นี้ว่ า, างน้นเปกลับมานะ <c oughs> สมสารเหมือนนกปีกหักกลับมา <c oughs> ปั่นป่วดไปหมดเลย <c oughs> ทีก็คึกคักไปเร่งความเพียรจนเพียนไปเลย <c oughs> ความเพียรมันเร่งไม่ได้ ถ้ามีสติแล้วเนี่ยเร่งความเพียรไม่ได้เพราะว่าทำไงสติก็ไม่เกิดมากกว่าที่จะเกิดหรอกมีแต่ว่าใจเย็นๆค่อรู้สึกกายค่อรู้สึกใจไปอย่างเมื่อวานก็นมีคนมาถามหลวงพ่อนะมีสองรายทำไมครูบาอาจารย์องค์น้นว่าอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อว่าอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้เราขี้เกียจตอบนะปัญหานี้มันชวนให้ทะเลาะ ก, กันเท่านั้นเอง อย่าว่าแต่หลวงพ่อไม่ตอบเลยพระพรุทธเจ้ายัางเคยไม่ตอบเลยตอนท่านจะปรินิพพานมีปรินพาชกคนหนึ่งชื่อสุพธธัทะมาขอพบท่านพระนรนจะไม่ให้พบบอกว่าอย่ามากวนเลยเนี่ยหน้าตาอย่างเนี้ชอบถกเถียงปัญหาธรรมะพวกปริพาชกทุกวันนี้ปริพาชคเยอะนะไปไหนก็พาเข้าโชค ก, กันเรื่อยไปเลยปาริาแปลว่ารอบะชกได้รอบตัวเลยอยู่ที่ เนี่ยปริพาชกมาหาพู้เจ้าพระนนท์จะไม่ให้พบผพู้เจ้าท่านอนุญาตมาถึงสู่พัทธาก็ถามเลยบอกว่าเนี่ยในชมพูเทวีบตอนนี้มีสำนักใหญ่อยู่หกสำนักอยากทราบว่าแต่ละสำนักเนี่ยมีทางผลถุกไหมมีทางบรรลุมรรคผลนิพพานไหมพราะทุกสำนักบอกว่าทางของตอนเองเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟัง ทุกๆสำนักแต่ละสำนักนะเราศึกษาเปรียบเทียบกับของพระพุทธเจ้าผู้สํานวนสมัยใหม่ว่าะงั้นพระพุทธเจ้าบอกเสียเวลานะท่านไม่มีเวลาที่จะมาเล่นด้วยแล้วให้ศึกษาสิ่งที่ท่านสอนให้ดีก็แล้วกันแล้วปัญหาทั้งหลายจะตอบได้ด้วยตัวเองเงั้นต่อไปใครมาถามหลวงพ่อว่าองค์นู้นว่างอย่างนี้องค์นี้ว่างงั้นนะหลวงพ่อไม่ตอบแล้วนะเรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนไป แล้วไปลองทำดูถ้าไม่ได้ผลก็อย่าไปเชื่อมันอยากจะเดินทางไหนก็เดินเอานะไม่ได้งอให้เดินนะหลายคนน่าภาวนาแล้วฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยภาวนาไม่ได้ต้องมีสติคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปแล้วดูซิรู้สึกกายรู้สึกใจตามความเป็นจริงอะแล้วมันไม่ได้ผลนะ พ้ทุกข์ไม่ได้จริงก็มาด่าหลวงพ่อได้เลยนะถ้าลงมือทําให้จริงจังนะเราก็หลอกลวงสิทําไมหลวงพ่อกล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่าจเจริญสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเลยไม่มีสายอื่นเลยจเจริญสติปัฏฐานนะัคือมีสติรู้กายสติรู้ใจไม่มีเส้นทางอื่นเลยพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้พวกเราบางทีก็กว้ยเขวไปจากคําสอนของท่านนะ บางทีก็ไปจับเอาความว่างไม่ว่างความไม่มีอะไรบ้างอนะไรเงี้ยคิว่าต้องทำให้ว่างๆอนะไรเงี้ยไม่คิดไม่นึกแล้วจะบรรลุแ้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นช้าสอนให้สูตรทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวนะหายใจออกให้รู้สึกหายใจเข้าให้รู้สึกหยุดหายใจแล้วก็รู้สึกท่านสอนให้รู้สึกนะ พิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนยืนก็รู้ชัดว่ายืนอะไนี้ท่านให้รู้ชัดหายใจออกก็รู้ให้ใจเข้าก็รู้หมายถึงอะไรรู้อะไรยืนเดินนั่งนอนให้รู้ชัดหมายถึงรู้อะไรรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญามีสติรู้ถึงการที่รูปมันเคลื่อนไหวนั่นเองรูปที่เคลื่อนไหวนะ เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจนะเราเห็นร่างกายมันหายใจไปบางคนดูท้องพองยุบก็เห็นท้องมันพองท้องมันยุบไปเห็นร่างกายมันยกเท้าย่่งเท้าไปเห็นมือขยับมือหยุดนิ่งนี่น่รู้ด้วยสตินะรู้รูปที่กำลังปรากฏอยู่แล้วก็รู้ด้วยปัญญาเห็นความจริงวนะ่าตัวที่กำลังปรากฏอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราหลักของการปฏิบัติมีอย่างนี้นะ จะใช้กรรมฐานอะไรในสติปัฏฐานก็รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาสองอย่างนี้แหละรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจรู้ด้วยปัญญาคือเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอนัตตาเราเห็นซ้าๆๆอย่างนี้เห็นจนมันพอนะพอแล้วมันวางเองชิตก็ว่าง ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกริยาของจิตความว่างความสว่างการหมดการสแสวงหาหมดกริยาเนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุที่ต้องทําเหตุคือมีสติรู้กายรู้ใจไปต้องรู้กายต้องรู้ใจนะไม่มีทางที่สองหรอก ถ้าอยู่ๆก็น้อมไปหาความว่างน้อมไปหาความไม่มีอะไรจะไปอรูปประพมรมไปสู่อรูปนะน้อมไปหาความว่างๆเขาเรียกว่าอากาสานัญจายตนะน้อมไปหาความไม่มีอะไรเรียกอากินจัญญายตนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำท่านสอนให้รู้กายให้รู้ใจฉั้นต้องคอยรู้กายรู้ใจไปไร้รู้อย่างที่มันเป็นทำไมเราถึงจะรู้ได้เราต้องไม่ใจลอย ถ้าใจลอยแล้วรู้ไม่ได้แจ่ไปคิดเวลาที่ใจหนีไปคิดนะั้นมันจะไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่มันรู้เรื่องที่คิดนะั้นมันจะลืมกายลืมใจหรือบางทีไปดูคนอื่นขณะที่หลงไปดูคนอื่นก็จะลืมกายลืมใจขณะที่หลงไปฟังก็จะลืมกายลืมใจลองทดลองนะช่วยกันมองพระพุทธรูปลองดูเห็นมเห็นไมพวกที่มาใหม่ลองดูพระนะ สังเกตดูที่ยอดนะไม่ต้องดูที่อื่นอย่าไปศบตาท่านนะเห็นไหมท่านหลบตาท่านไม่มองด้วยหรอกดูยอดท่านนะสังเกตไหมขณะที่ใจเราจดจ่อดูพระเกตแหลมแหลมมองพระพุทธรูปในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจเราลืมตัวเราเองนะพอล้ะพอละเดี๋ยวพระศึก <c oughs> นึกออกไหมขณะที่ไปจ้องใส่พระนะเราลืมกายลืมใจ ขณะที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมลืมกายลืมใจขณะที่คิดรู้สึกไหมลืมกายลืมใจเังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปนะหลงไปทางตาหลงไปดูหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกหลงไปทางลิ้นทางกายทางใจไม่นั้นเราจะลืมกายลืมใจทำมิปัสนามไม่ได้ล้วทำได้แต่สมถะ ถ้าเราจ้องใส่พระพุทธรูปนะี่เราจําหน้าพระได้เลยดูไปเรื่อยนะพระค่อยใสขึ้นใสขึ้นนะแต่ไปเป็นดวงแก้วขึ้นมาเลยนะอย่างนี้ได้สมถะแต่ถ้าจะทำํำมิปัสสนานะั้นต้องไม่หลงออกไปไม่หลงออกไปทางทวาร ท, ทั้งหที่หลวงปู่ดูลิ้วว่าไม่สรงจิตออกนอกคําว่าไม่สรงจิตออกนอกเขไม่ใช่แปลว่าไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่ารู้แต่ใจไม่หลงรู้แต่ไม่หลง รู้สักว่ารู้รู้สักว่าเห็นใจเราไม่หลงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อไร่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่องมีสติเมื่อนั้นได้ปฏิบัติแต่อาจจะเป็นสมถะหรือเปมิปัสนานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหลวงปู่มั่นหนึ่งสอนบอกว่าถ้าเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรงั้นมีสติขึ้นมานะรู้กายรู้ใจ แต่รู้อย่างสมถะหรือรู้อย่างวิปัสนาต้องดูว่ามีปัญญาไหมถ้ามีปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสนาถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆเป็นสมถะเพราะนหลายคนทํานึกว่าทําวิปัสนานะเช่นไปดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบแล้วจิตสติแนบอยู่ที่ท้องเลไม่เคลื่อนไปไหนเลยไม่หลงไปไหนเลยจอนิ่งๆอยู่ที่ท้องหรือไปรู้ลมหายใจแล้วจิตไปจอนิ่งอยู่กับลมหายใจ ถามว่ามีสติไม่มีแต่เป็นสมถะเพราะไม่เห็นไม่ไมเห็นไตรลักษณ์แตถ้าจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็มีเงื่อนไขตัวหนึ่งคือต้องมีใจที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิมีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญาถ้ามีสติอย่างเดียวไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูจิตเป็นผู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นไม่ใช่ผู้กระทํา จิตใจของเราเป็นผู้กระทําไม่ใช่ผู้รู้ผู้ดูถ้าเมื่อไหร่เรามีสตินะสมมติว่าเราดูท้องพองยุบอยู่เราเห็นท้องพองท้องยุบอยู่ใจเราตั้งมั่นมันจะเห็นเลยว่าตัวที่พองตัวที่ยบเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรือขยับมือนะขยับมืออย่างสายลงพ่อเทียนขยับมือถ้าไม่หลงไปจากมือเลยเรื่องมีสติถ้ามีสติอย่างเดียวเป็นสมรร เป็นสมถะ น, นิ่งๆเกาะนิ่งๆ อ, อยู่คือไม่ไม่เห็นใจรักแต่ถ้าขยับมืออยู่นะแล้วสติะระลึกรู้เห็นรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเห็นรูปมีปัญญารู้ความจริงว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กําลังเคลื่อนไหวนะเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราพวกเราบางครั้งก็รู้สึกได้แวบๆบแบบอย่างเวลาอาบน้ําอาบน้ําลูบไปตูดสบู่ตูดอะไรเงี้ยรู้สึกขึ้นมาแว บ, บเลยนี่มันไม่ใช่ตัวเราแนละ้ เนี่ยดูอย่างนี้รู้ด้วยปัญญานะเห็นไหมวิปัสนาไม่ได้เกิดบ่อยหรอกสิ่งที่เกิดบ่อยคือสมถะดังนั้นในเวลาที่ว่าดูจิตดูใจนะส่วนใหญ่ทําสมถะนะหรือเวลาที่ดูท้องฟองยุบรู้ลมหายใจยกเท้าย่างเท้าขยับไม้ขยับมือรู้อิริยาบถสิส่วนใหญ่เป็นสมถนะเพราะปัญญาไม่แทงตลอดลงมาเห็นไตรลักษณ์เห็นทีแต่แวบเดียวรู้สึกไหมรู้สึกไม่ใช่เรารู้สึกแวบเดียวรู้สึก ก็ไม่ต้องตกใจนะภาคเพียนไ ป, ไปคอยรู้สึกเอารู้สึกเอาถ้าใจเราไหลเข้าไปนิ่งไปแช่อยู่กับอารมณ์เราคอยรู้ทันไหมพอเรารู้ทันว่าใจเราไหลไปอยู่กับอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจแล้วใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบใจไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้ารู้อิเดียบทสีนะเหมือนจ้องอยู่ทั้งตัวจ้องทั้งตัวอย่างนี้นะจ้องรู้ทั้งตัวเลยรู้ทั้งตัวบางคนบอกว่านี่แหละรู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ใช่นะเนี่ยเพี้ยนละรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ว่าไม่เผลอเท่านั้นแหละไม่เผลอไม่เพ่งอยนี้เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนี้เรียกรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวก็รู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคนละเรื่องกันรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นแค่สักว่าระลึกสติสักว่าระลึกรู้กายหรือสติสักแต่ว่าระลึกรู้ลมหายใจก็รู้ตัวทั่วพร้อมละรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือใจมันตั้งมั่นอยู่ ใจมันไม่หลงใจมันไม่เผลือไม่ใช่ต้องรู้ทั้งตัวนะแค่เห็นท้องพองยบเนี่ยก็สามารถรู้ตัวทั่วพร้อมได้แค่เห็นจิตไหวๆอยู่ก็สามารถรู้ตัวทั่วพร้อมได้ถ้ารู้อย่างสักว่ารู้จริงนี่รู้สักว่ารู้ไม่ใช่ของง่ายนะพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่ถึงหรอกเราสักแต่ปากเท่านั้นแหละไม่ใช่รู้สักว่ารู้นะสังเกตไหมเวลาที่จิตเราไปรู้สภาวะมันมีการทางานต่อเสมอ มันไม่สักว่ารู้หรอกมันไม่รู้แล้วจบลงที่รู้จริงหรอกเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่พอไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ปัญญายัางไม่พอถ้าเมื่อไหร่ปัญญาพอนะดูไปเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ไปจนพอรู้เลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวรู้ซึง้งถึงอกถึงใจอย่างเงี้ยมันถึงจะสักว่ารู้ได้ นั้นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเป็นกลางในการรู้อย่างแท้จริงเรียกว่ามีสังขารู้เบกขายานไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะพอถัดจากสังขารู้เบกขายานเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการแห่งอริยมรรคขึ้นแล้วสังขารู้เบกขายานเนเป็นประตูไปสู่อริยมรรคล้ฝึกนานนะฝึกคอยรู้กายคอยรู้ใจเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ไปนานจนกระทั่งใจนี้ซึมซับซึมซับความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเ crowd, ใ น, ใ น, นี่นะณณนะน aat, นยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยกายนี้ใจนี้นะความสุขความทุกข์กุศลนะกุศลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยใจซึมซับความจริงอย่างนี้นะใจหยุดดิน้นรู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยตรงนี้รู้แล้วไม่ปรุงต่อนะเพราะว่าอะไรเพราะเห็นไตรลักษณ์มาอย่างโชคชนแถึงจะไม่ปรุงไม่ใช่น้อมไปสู่ความไม่ปรุงแต่งน้อมไปสู่ความนิ่งความว่างอันนั้นเป็นความปรุงแต่งอีกชนิดนึง ไปปรุงแต่งความบ้างปรุงแต่งความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจนะเห็นไตรลกกักษณ์มากเข้ามากเข้าอันหนึ่งจิตหยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาการทั้งหลายหยุดพอหยุดนี้นะถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอและสมควรแก่ธรรมะนะก็จะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นเองไม่ได้เจตนาให้เกิดขั้นแรกเลยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองหลายคน ทั้งชาติเลยภาวนามาไม่เคยมีอัปปนาสมาธิหรอกหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้แต่ตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาเองอ่ะตรวจกันบ้านเล็กน้อยเชิญใครอยู่วัดก็ยังคงเพ่งอยู่นะคะแล้วก็ยังประคองอยู่เจ้าค่ะ <m> แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมัน มันไม่เป็นหนึ่งแล้วก็รู้แบบโม่ๆจ้าค่ะแต่ก็จะมีบางช่วงที่ว่าเวลาเดินจงกรมนะคะแล้วก็มันก็จะเห็นจิตไหลแวบไปที่ตรงขาพอไหลที่ไปตรงขาแป๊บแป๊บหนึ่งมันก็จะเหมอลอยไปอะไรเงี้ยค่ะตอนในเมาเนี่ยมันก็จะมีความสุขเล็กๆอยู่นิดนึงแล้วพอมันก็ดึงกลับเข้ามาพอดึงกลับเข้ามามันก็รู้สึกนะถ้ามันมาเองไม่เป็นไรมันดับของมันเองตรงนั้นนะสัตว์ย่ไปดึงมันขึ้นมานะ ถ้าจงใจดึงจะแน่นแต่ถ้ามันขึ้นมาเองไม่เป็นไรอันนั้นมันจะไม่นั่นแต่ว่าเสร็จพอมันกลับขึ้นมาปั๊บมันก็จะเริ่มหงุดหงิดละว่าเอ๊ะมันมันไม่เป็นหนึ่งแลช่วงสองวันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอย่ากังวลว่าจิตไม่เป็นหนึ่งจิตหนึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์เจ้าค่ะจิตของเราเป็นจิตที่เป็นคู่ตลอดเวลาเห็นไหมจิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตเข้าไปเกาะจิตถอยออกมาจะเป็นคู่ตลอดไม่มีจิตหนึ่งนะเจ้าค่ะงั้นอย่าไปกังวลมัอย่าไปโมโหมันนะ เรียนรู้มันไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่นะถ้าเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่แล้วจะรู้สิ่งที่เป็นหนึ่งถึงวันหนึ่งพอแล้วจะรู้เองเจ้คะ่ะแล้วก็เห็นเออตอนนี้เนี่ยมันก็ยังบางครั้งมันก็ยังอดเพ่งที่จิตไม่ได้ก็เลยตอนนี้เลยเข้าใจที่พระอาจารย์พูดแล้วเจ้าค่ะว่าพอไปเพ่งปั๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นกฎมันจะไม่เห็นอนัตตาอนะไม่เห็นย่ะพอแวบออกไปแป๊บนึงเนี่ยพอมาเริ่มเวทนาจะเห็นมันดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่เห็นว่าโอ้โหใจเราเป็นของเราแล้วติดแน่นเหนียวหนึบมากเจ้ะอันนี้ก็จะคำว่าแน่นคำว่าเหนียวคำว่าหนึบนั่นแหละคือคำว่าปูตุชนเจาาปูชุชนเพราะว่าหนาเหนียวเหนียวนาหนาะหน า, หนาจริงๆเหนียวนะจราาิงๆนะหนึบหนึบด้วยนะาาหนืดหนืดด้วยเอาออกยากดีนะภาวนาค่อยฝึกไปเดินอยู่ในร่องในรอยละนะดูไปเอาพี่แม่มส่งกันบ้านจิตมีโมหะดูออกไหม ราบเจ้าค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านตลอดนยเจ้าค่ะแต่ว่าพี่แหม่มรู้สึกไหมตอนนี้ประคอ ง, รงเริ่มกดแล้วใจเริ่มนิ่งกว่าความเป็นจริงเริ่มแข็งแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยประคองอยู่นะขณ ะ, ะจิตเนี้ยรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนธรรมดาพอมันตื่นเ ต, ต้นขึ้นมันกดเอาไว้ตื่นเต้นเล็กๆสงสยัยแล้วก็ เต้นไม่มีตัวรู้ถูกต้องนะสงสัยถูกต้องไม่มีตัวรู้เนี่ยคือโมหะหลงไปถูกต้องเพราะว่าหลงไปแล้วก็งไปอีกแบบลงไปนึกดีฝึกรู้สภาวะนะถ้ารู้สภาวะได้ไม่ต้องมาถามอะไรหลวงพ่อหรอกเพราะสภาวะจะสอนไตรลักษณ์เองบางทีมันอาจจะด้วยเหตุปัจจัยอย่าง ที่ผ่านมาเนี่ยสองวันนี้ก็รู้สึกฟุ้งซ่านตลอดเลยก็เห็นโมหะเห็นเห็นความคิดพี่แหม่มรู้สึกไหมเราไม่ได้พาวนาเพื่อให้จิตสงบไม่ได้พาวนาเพื่อไม่ให้หลงนะแต่เราพราวนาจนเราเห็นความจริงว่าจิตมันฟุ้งซ่านได้เองจิตมันหลงคิดได้เอ ง, จ, องจิตมันทำงานได้เองเนะี่ยการที่เราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยน ะ, ะวันหนึ่งเราจะปิ๊งขึ้นมาจิตไม่ใช่เราหรอกเปนทางานของมันเอง ก็จิตมันไม่รู้มไนเจ้าค่ะรู้แต่ว่ารู้แบบว่าฟังไม่เห็นเราก็ต้องดูดูลงไปจนมันหนึ่งมันยอมรับนะมันยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะเมื่อนั้นนึกว่ายอมรับธรรมะเข้าสู่ใจเจ้าค่ะไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากธรรมะนะเรากั้นของเราเองเรากันไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจเราเองเพราะด้วยความหวงแหนตัวเองดีแล้วพี่แหมมเคยรู้อะไรนะแต่เออ ชาวนี้รู้สึกดีขึ้ น, นรู้สึกจิ ต, ยยตใจเบิกบานก็จะค่ะพี่แม่ไปสังเกตอย่างเดียวอย่างขนาดจิตเนี่ยกําลังประคองความรู้สึกตัวอยู่นะให้มันเรียบร้อยมันเรียบร้อยกว่าตัวจริงนึกออกไหมตัวจริงโซ น, นตามารู้เคยเห็นมาตั้งแต่ปีสามเนะี่ยนี่พี่จูเนียนะหลวงพ่อแฟชชี่พี่จูเนี่ย้ตัวจริงขนาดไหนรู้เนะต้นหมดเต้นเต้นเก่งด้วยนะ ลูกสาวอะรู้ไหมลูกสาวไม่เคยเห็นอะไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมี2บุคลิกเหรอเจ้าคะแล้วอันนี้มันก็เป็นตามโลกว่าเราก็ต้องอย่างนี้ให้เรารู้ทันให้เรารู้ทันนะเจ้าค่ะจริงๆแล้วเราเราเปลี่ยนเราไม่ใช่มี2บุคลิกอะเวลาเราคุยกับลูกเราก็มีบุคลิกอย่างหนึ่งใช่ไหมเราคุยกับสามีเราก็มีบุคลิกหนึ่งคุยกับศัตรูอุกอีกบุคลิกหนึ่งเล่นกับแมวกับหมาไปอีกอย่างอันนี้ไม่ค่อยมีบุคลิกเราไม่ต้องหวังสอก S <S <S แต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะมันเป็นแต่เรามันเป็นแต่เรารู้ทั น, นเราต้องเล่น ล, คลคะครอยู่กับโลกต้องเล่นกับเขานะอย่างเราไปงานศพนะหลวงพ่อสารภาพตรงๆเลยหลวงพ่อไปงานศพจิตหลวงพ่อเบิกบานเราจะนั่งมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมเราก็ต้องทำหน้าตาให้มันดูอุเบกขาหน่อย <laughs> ใจเรามีแต่ความสุขอะเอเอมันตายแล้วอยาว่าแต่คนอื่นตายเลยตอน ตอนพ่อหลวงพ่อตายนะจิตหลวงพ่ อ, อยังเบิกบานเลยนะเราก็ต้องเล่นนะหรื อ, อย่างบางคนใช่ไหมใจเรามีอุเบกขาคนนี้นะอาการมันรอดแด้เต็มทีแล้ ว, ลว ต, ต้องประคบประงมประคับประคองต้องโอ้ต้องปลอบนะต้องนุ่มนวลมากกว่าความเป็นจริงเราก็ทำนะทาเพื่ออนุเคราะห์จากนะแต่ว่าเรารู้ว่านี้ปรุงขึ้นนะอยู่กับโลกก็ต้องเล่นกับโลกน ะ, ะเล่นให้เป็น แล้วโลกจะไม่กัดเราถ้าเล่นไม่เป็นโลกจะกัดอ๋อหรยังทำธุรกิจนะจะไปเจราจาธุรกิจนะ่ะนุ่งผ้าถุงไปนะเพื่อดูสํารวมผ้ า, ส, าสบายเฉียง <c oughs> หัวก็ไม่หวีอะไรเนนะปากก็ไม่ทาเขียวอื้อเลยนะเอาน้ำเปล่าล้างหน้าไปสองทีเพื่อประหยัดมัธยัตนะสํารวมไม่มีใครเขาเจราจาด้วยหรอกเ ก, กลัว อยู่กับโลกต้องรู้จักโลกนะอนุโลมตามโลกให้มันไม่ผิดศีลธรรมรแต่ถ้าผิดศีลธรรมไม่อนุโลมนะท่านอาจารย์เจ้าค่ะมีอีกอันหนึ่งก็คือที่สังเกตเนะี่ยอันนี้ไม่ทราบเป็นสภาวะธรรมอันนี้มันคืออะไรรู้สึกมันเฉยเฉยหลายเรื่องนะเจ้าคะ่ะมันนิ่งไปเนี่ ย, ม, ยมันไปประคองใจเอาไว้นะไ อ, อ, อ, อตัวประคองนี่ไม่เห็นนะเจาค่ะเดี๋ยวค่อยคหกักพี่แหม่มเทียบจิตจิตที่ตอนนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติ ตอนที่อยู่คนเดียวสบายๆเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันถ้าเห็นตัวนี้เห็นความไม่เหมือนเนี่ยจะรู้เลยสิ่งที่เราสร้างขึ้นคืออะไรเอาไม้วางไว้นะเราเชิญไปทานข้าว